ตอนที่หกเลือกผู้ปรีชาราตรีคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบเชียบฮิมะหยุดตกแล้วชูหลิงเองไกายพิงเบาะนุ่มบนบันลังมือข้างหนึ่งยันคางเหมอมองไปไฟในตะเกียงบนโต๊ะทรงงานที่วูกไหวไปมาด้วยความเบื่อหน่ายบันลังตัวนี้ใหญ่เกินไปสำหรับชูหลิง จิตวิญญาณของชูหลิงเติบโตเป็นผู้ใหญ่มานานแล้วด้วยประสบการณ์จากการเป็นคนสองชาติพบแม้เรื่องราวที่เผชิญหลังการค่ามิติจะเหลือเชื่อเพียงใดทั้งการกลายเป็นจั ก, กรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์แห่งต้าอวี๋และการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงแต่เขาก็ปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วจะมีก็เพียงร่างกายที่ผอมแห้งและไวแปดขอบอัน้ากระอักกระอ่วนนี้เท่านั้นที่ชูหลิงยังําใจยอมรับไม่ได้ ทว่าในช่วพริปตาเขากลายเป็นผู้ที่ไม่มีความหวังในการสืบทอดราชบัลลังก์มากที่สุดกลับได้กลายเป็นจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์เมื่อพิธีบรมราชาพิเศษจัดขึ้นเขาก็จะเป็นประมุขคนใหม่ของต้าอวีที่มีความชอบทำตามกฎมนเทียนบานสิ่งนี้ทําให้แผนการต่างๆที่ชูหลิงเคยคิดไว้ก่อนหน้านี้ไร้ความหมายไปโดยปริยายเชื้อพระวง์ที่ไร้ตัวตนกับจักรพรรดิหุ่นเชิดคนใหม่แม้ทั้งสองฐานะจะไม่มีอํานาจในมือเหมือนกันแต่ความหมายเบื้องหลังนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับดิน ต่อให้จักรพรรดิจะไร้ประโยชน์เพียงใดแต่นั่นก็คือตำแหน่งที่มีเพียงหนึ่งเดียวมันไม่เหมือนกับการเป็นเพียงเชื้อพระวงทั่วไปทางหนีที่ไล่ที่ชูหลิงเตรียมไว้ให้ตัวเองถูกตัดขาดแถมตอนนี้เขายังถูกจับวางไว้บนกองไฟหากต้องการหลุดพ้นจากเรื่องทั้งหมดนี้เขาต้องหาทางทำลายหมากระดานนี้ให้ได้แต่ด้วยวัยเพียงเท่านี้เขาจะเอาอะไรไปสู้ใครจะเชื่อเขาใครจะพักดีต่อเขาใครจะยำเกรงเขาใครจะหวาดกลัวเขา ยามเป็นเด็กก็อยากรีบโตเป็นผู้ใหญ่ยามเป็นผู้ใหญ่ก็อยากแก่ช้าลงชูหลิงผู้เคยผ่านความรู้สึกเช่นนี้มาแล้วครั้งหนึ่งตั้งแต่ก้าวเข้ามาในตําหนักต้าซิงแห่งนี้เขาก็เอาแต่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเหตุใดตนเองถึงต้องมีอายุเพียงเท่านี้เวลานี้ช่างผ่านไปยากเย็นเหลือเกินชูหลิงที่ไม่มีความรู้สึกง่วงนอนเลยสักนิดเผยยิ้มขื่นพางเองนกายพิงเบาะนุ่มเหม่อมองเพดานเบื้องบนอย่างลอยชายเขามองสํารวจทุกอย่างในตําหนักแห่งนี้จนทั่วแล้วแต่เวลาก็ยังผ่านไปเชื่องช้าเหลือเกิน ในตำหนักนี้ไม่มีแม้แต่กระดาษที่มีตัวอักษรเขียนไว้สักแผ่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงหนังสือเลยไม่มีทามีแน่นอนย่าไม่มีอะไรให้ทำเวลานี้แหละที่ทรมานที่สุดไม่มีงานให้ทำต่อไปต้องทำอะไรหลังจากนี้จะทำอะไรได้บ้างนี่คือสถานการณ์ที่ชูหลิงเผชิญอยู่ในตอนนี้ ชูหลิงไม่รู้เลยแม้แต่น้อยส่วนเรื่องการตัดสินใจนั้นหึหึตั้งแต่เขากลายเป็นจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์นั้นก็ถูกพรากไปเสียแล้วใครจะเป็นคนตัดสินใจชูหลิงเองก็ไม่รู้เช่นกันเอียดเสียงเสียดหูพลันดังขึ้นทำลายความเงียบสงัดภายในตำหนักลมหนาวพัดผ่านประตูตำหนักที่ค่อยๆเปิดออกเข้ามาประตูที่เคยปิดสนิทแง้มออกเป็นช่องร่างหนึ่งเดินเข้ามาจากข้างนอกก่อนที่ประตูจะถูกปิดลงตามหลังหลี่จง ชูหลิงที่เอนพิงเบาะนุไม่ได้ขยับขยื่นสายตาจ้องเขม็งไปยังร่างที่เดินเข้ามาเมื่อเทียบกับตอนที่พบกันครั้งแรกที่ลานกว้างทิศตะวันออกหลีจงดูเหนื่อยล้ากว่าเดิมมากแม้เขาจะพยายามสํารวมเพียงใดแต่ความเหนื่อยล้านี้ไม่ใช่สิ่งที่ข่มไว้แล้วจะหายไปได้บ่าวถวายบังคมจักรพรรดิผู้สื่บราชสันติวงศ์หลีจงสังเกตเห็นว่าชูหลิงกําลังมองเขาอยู่เมื่อเดินมาถึงหน้าโต๊ะทรงงานเขาก็ก้มศีรษะประสานมือคํานับอย่างนอบน้อมทว่าในใจกลับเกิดระลอกคลื่นความสงสยัย จักรพรรดิผู้สืบราชะสันติวงศ์ในวัยเพียงเท่านี้หลังจากเข้าตำหนักต้าซิงมานอกจะจะตรัดไม่กี่ประโยคตอนเสวยพระกระยาหารหลังจากนั้นก็นั่งนิ่งอยู่เฉยๆโดยไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆไม่ร้องให้ไม่โยเยมันผิดปกติเกินไปสิ่งนี้ทำให้หลี่จงเริ่มระมัดระวังตัวข้อสันนิษฐานของเขาคงไม่ผิดแน่ชูหลิงไม่ได้พูดอะไรเขายังคงเอนพิงเบาะนุ่มลอบสังเกตหลี่จงอย่างเงียบๆ เ, เวลาผ่านไปทีละวินาที แคนของหลี่จงเริ่มล้าจนปวดหนึบแต่เขายังคงรักษาท่าทางไว้มั่นสําหรับค่ารับใช้ของราชวงศ์หากเรื่องแค่นี้ยังทําไม่ได้ก็ไม่คู่ควรจะมีชีวิตอยู่ในราชสำนักฝ่ายในเราควรจะบอกว่าไม่ต้องมาพิธีใช่หรือไม่เมื่อเห็นหลี่จงเป็นเช่นนั้นชูหลิงจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงราบเรียบขอฝ่าบาทโปรดประธานอภัยที่บ่าวล่วงเกินหลี่จงตอบกลับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป่าบาทควรเปลี่ยนคําสรรพนามพยะค่ะเจิ้นอย่างนั้นหรือ ชูหลิงยิ้มออกมาบางๆพยาค่ะหลี่จงยังคงอยู่ในท่าประสานมือคำนับไม่ต้องมาพิธีเถอะชูหลิงทออถอนใจเบาๆบ่าวขอพระทัยในพระมหากรุณาธิคุณพยาค่ะหลี่จงคำนับอีกครั้งรับมือยากเสียแล้วจากการสนทนาเพียงไม่กี่ประโยคกับหลี่จงชูหลิงก็ได้ข้อสรุปนี้ในใจมาหาเจิมีธุระอันใด ชูหลิงเลิกมองหลี่จงก่อนจะค่อยๆหลับตาลงราวกับมีความเหนื่อยล้าอยู่บ้างทุนฝาบาทบ่าวรับพระเสานีจากสามฮองเฮามาแจ้งให้ฝาบาททรงทราบว่าพรุ่งนี้ฝาบาทต้องเสด็จไปยังสถานที่ตั้งลงศพลวงของจักรพรรดิผู้ลงลับพยคะหลี่จงก้มหน้าลงเล็กน้อยไว้อะไรเสด็จพี่เรื่องนี้เจิ้นรู้อยู่แล้วชูหลิงตอบกลับไปแต่ทันใดนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นเย็นตัวลุกขึ้นนั่งบนบันลังแล้วมองไปที่หลี่จงทิ้งแต่เจิ้นสงสัยนักเจิ้นกลายเป็นจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ หัวใจของหลี่จงพันกระตุกมือที่ทิ้งข้างลำตัวสั่นเทาเล็กน้อยเป็นพระติดขัดเรื่องกฎมทียนบาลจึงพูดไม่ได้หรือว่าไม่กล้าพูดกันแน่ชูหลิงกระโดดลงจากบัลลังก์เงยหน้าขึ้นใบหน้าที่เยาวกลับร้ายซึ่งความยินดียินร้ายเมื่อชูหลิงเงยหน้าขึ้นหลี่จงก็คุกเข่าลงกับพื้นทันทีทำให้ระดับสายตาของทั้งสองอยู่ในระดับเดียวกันเลือกผู้ปรีชาพยาค่ะหลี่จงก้มสีสตอบเลือกผู้ปรีชา ชูหลิงหัวเราะออกมาแม้เขาจะคาดการไว้แล้วแต่เรื่องนี้ช่างน่าขันสิ้นดีคำว่าปรีชาจะนิยามอย่างไรและใครจะเป็นผู้นิยามสําหรับการสื่อรราชบัลลังก์แล้วการใช้เกณฑ์เลือกผู้ปรีชานั้นมีช่องโหว่มากเกินไปชูหลิงรู้ตัวว่าเขาพูดมากเกินไปแล้วในสถานการณ์ที่ยังไม่แน่ชัดและคนตรงหน้าก็ยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางยิ่งพูดมากก็ยิ่งอันตรายทว่าหลี่จงในตอนนี้คือคนเดียวที่เขาจะสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับรชาชสำนักฝ่ายในได้ หากเขาไม่พูดไม่ถามเขาก็จะไม่รู้อะไรเลยนั่นแหละคือสิ่งที่อันตรายที่สุดชูหลิงต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในราชสำนักฝ่ายในกันแน่เหตุใดเขาถึงได้กลายเป็นจักรพรรดิผู้สื่อรราชสันติวงศ์แม้จะได้รู้เพียงเศษเสี้ยวคำพูดก็ยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยส่วนเรื่องจริงหรือเท็จเขายังพอมีวิจารณญาในการตัดสินได้หากเจิ้นจาไม่ผิดราชวงศ์ของเราใช้ระบบสื่อสันติวงศ์โดยสายโลหิตตรงม่ใช่หรือ ชูหลิงเลิกชายเสื้อคลุมแล้วนั่งยองๆลงสองมือวางบนเข่าเงยหน้าจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของหลี่จงเหตุใดถึงกลายเป็นเลือดผู้ปริชาไปได้หรือว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันอันใดขึ้นบ่าหลี่จงโคกศีรษะลงกับพื้นคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าชูหลิงคำพูดมาถึงริมฝีปากแล้วแต่กลับไม่กล้าเอ่อยออกมาจะนำภัยมาสู่ตัวอย่างนั้นหรือชูหลิงยื่นมือไปคลอหมวกซานซานที่หลี่จงสวมอยู่เบาๆทว่าสายตากลับเงยมองไปทางประตูตำหนัก หรือจะบอกว่านอกตำหนักแห่งนี้มีดวงตาคอยจับจ้องเจิ้นอยู่ตลอดเวลาชูหลิงมองผ่านหน้าต่างบานหนึ่งเห็นเงาร่างคนวูบวาบอยู่ลางๆ l a n g าดโปรดอย่าทำให้บ่าวลำบากใจเลยพยคะค่ะหลี่จงเอ๋ยประโยคที่มีความหมายแฝงเร้นดูถ้าการชิงอำนาจในราชสำนักฝ่ายในจะรุนแรงกว่าที่คิดไว้เสียอีก ชูหลิงตกอยู่ในพวังความคิดหรือว่ามีใครบางคนไม่อยากเลือกจากโอรสสายรองของจักรพัทเวิร์นเทยจงแต่อยากจะยกฐานะขึ้นไปเลือกจากโอรสสายตรงของจักรพัทเทจูกเกาแทนหากเป็นเช่นนั้นจริงก็พอจะฟังขึ้นเพราะอย่างไรเสียก็เป็นระบบสื่อสันติวงศ์โดยสายโลหิตตรงมีสายตรงให้ตั้งสายตรงไม่มีสายตรงค่อยตั้งสายรองไม่ว่าราชวงศ์อวิหนี้จะมีความแตกต่างเพียงใดแต่หลักการพื้นฐานคงไม่ต่างกันนัก โอรสสายตรงลำดับที่สมของจักรพรรดิเทจูเกานามว่าชูสยงในราชสมัยเทจูได้รับแต่งตั้งเป็นไห่อองไปครองเมืองไหตง่ตงโอรสสายตรงลำดับที่สี่ของจักรพรรดิเทจูเกานามว่าชูเฟิงในรัชสมัยเทจูได้รับแต่งตั้งเป็นจิ้งอ๋องไปครองเมืองจิ้งเปยคนที่เสนอชื่อคนนั้นจะเป็นใครในสองคนนี้หากเป็นพวกเขาสองคนก็จะกลายเป็นการสื่อพระราชสันติวงศ์แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นจึงจะเอาจักรพรรดิเวินเทจงไปไว้ที่ไหนบันลลังก์สายนี้จะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้หรือ แต่หากเลือกจากโอรสสายตรงของทั้งสองคนมาหนึ่งคนก็จะกลายเป็นการสืบราชสันติวงศ์แทนบุตรอืม่มหากเป็นเช่นนั้นจริงสุดท้ายแล้วกิ่งย่อยจะต้องเข้าสู่กิ่งหลักทว่าหากเป็นการสืบราชสันติวงศ์แทนบุตรก็ควรจะเข้าเป็นบุตรบุญธรรมของจักรพรรดิเวินเท่จงแล้วจักรพรรดิผู้ล่วงลับแล้วจะทำอย่างไรเทียงแค่คิดถึงเรื่องเหล่านี้ชูหลิงก็จินตนาการได้เลยว่าในช่วงเจ็วันที่ผ่านมาในราชสำนักฝ่ายในแห่งนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างและมีการประทะคารมรวมถึงการชิงไหวชิงพลิบที่ดูเดือดเพียงใด